Thank mm -hmm. you. เช้าวันนี้ดิฉันใคร่ก่อนนำเสนอเรื่องราวอันมีคุณค่าที่หาฟังได้ยากทีเดียวเกี่ยวกับพระคุณแม่ของพันเอกพิเศษทองคำศิโยธินอนุศาสนาจารย์แห่งกองทัพ บ, บกในโอกาสที่ท่านได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรอบรมวิปัสสนากรรมฐานแก่ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมในยุวภุติกาสมาคมแห่งประเทศไทย โดยเนื้อหาสาระที่จะนำมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้นำมาจากหนังสือที่มีชื่อว่าหยุดความเลวที่ไล่ล่าคุณซึ่งได้มาจากความอุตสาหะพยายามและความปรารถนาดีที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ของคุณสมคิดและวางกูลที่ได้รวบรวมข้อมูลจากหนังสือเทปและวิดีโอของอาจารย์แล้วมาเรียบเรียงใหม่เป็นภาษาหนังสือที่มีความกระชับ ไ ด, ได้ใจความดีทีเดียวค่ะเรามาติดตามรับฟังไปพร้อมกันเลยนะคะพอลูกปฏิบัติธรรมคุณธรรมเกิดขึ้นในจิตใจจิตใจสงบมีเมตตา มีความกระตันยูรู้คุณอยากตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณสิ่งเหล่านี้เรียกว่าความดีความดีในตัวคนนี้มันส่งกลิ่นหอมมะม่วงเมื่อมันสุกมันหอมเองคนเราเมื่อทำความดีมันก็หอมเองคนที่ทำความดีกระตันยูรู้คุณใครๆก็ยกย่องสรรเสริญ ใครๆก็อยากคบหาสมาคมด้วยคนที่อากตันยูในระคุณไม่มีคุ ณ, ณธรรมใครๆก็รังเกียจไม่มีใครคบค้าสมาคมคนกตัญยูรู้คุณมีคุ ณ, ณธรรมทําอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองถ้าเราอยากรู้ว่าใครเป็นคนดีไม่ดีให้เอาความกตัญยูไปจับเรามีเพื่อนอยู่ห้าคนอยากรู้ว่าใครเป็นคนดี เอาอะไรตัดสินให้ส่องดูใจของคนทั้งหถ้าหัวใจใครเต้นสองจังหวะนั่นเป็นคนดีจังหวะที่หนึ่งรู้บุญคุณคนได้ไปห0คะแนนจังหวะที่สองทดแทนบุญคุณผู้มีพระคุณเอาไปอีกห0คะแนนสุดยอดของความดีคือคนที่มีความกระตันยูกระตะเวทิตาต่อพ่อแม่ ลูกๆปฏิบัติธรรมมาถึงวันนี้แล้วความหอมเริ่มโชยกลิ่นออกมาในขณะที่จิตใจลูกสงบลูกจะเริ่มนึกถึงคนที่มีบุญคุณต่อเรามากที่สุดในชีวิตนั่นคือพ่อกับแม่นั่งหลับตาเห็นภาพท่านลอยมาอยากจะเข้าไปใกล้ยอยากจะกอดอยากจะกราบที่เท้าท่านมีจิตใจที่เคารพเทิดทูน ขณะนี้จิตลูกกาลังเกิดความกระตันอยู่ในฐานะของผู้ปฏิบัติธรรมเราลองเอาพ่อกับแม่มาขึ้นตาช่างดูช่างด้วยหัวใจแล้วลองดูซิว่าใครมีบุญคุณต่อเรามากกว่ากันบางคนใจอยู่กับพ่อบางคนใจอยู่กับแม่บางคนว่าเท่าเท่ากัน พวกที่บอกว่าเท่าๆกันตาช่างของคุณเที่ยงตรงแน่หรือกระทรวงยุติธรรมเขามีตาช่างตาช่างเขาเที่ยงตรงไม่เอียงใครที่บอกว่าพ่อกับแม่มีบุญคุณเท่ากันนี่ตาช่างคุณเที่ยงตรงแน่หรือนักปราชทางศาสนาเขียนโครงไว้บทหนึง่งประทับใจอาจารย์มากอาจารย์จาได้ขึ้นใจพอบอกว่า คุณแม่หนาหนักเพียงพระสุธาคุณบิดรตุดอากาศว่างพระคุณของแม่นี่ทั้งหนาทั้งหนักเหมือนแผ่นดินทั้งแผ่นดินภูเขาทุกลูกตึกกรามอาคารบ้านเรือนทะเลต้นไม้แม่น้ำล้วนตั้งอยู่บนแผ่นดินทั้งสิน้นถ้าไม่มีแผ่นดินก็ไม่มีภูเขาไม่มีตึกไม่มีบ้าน เช่นเดียวกันถ้าไม่มีแม่ก็ไม่มีเราเห็นพระคุณแม่หรือยังว่ายิ่งใหญ่มั่นคงหนักแน่นขนาดไหนเมื่อก่อนตอนเราเล็กๆแม่นั่งป้อนข้าวเรามีคนถามว่ารักแม่แค่ไหนเราการแขนทั้งสองข้างออกบอกสิว่ารักแม่เท่านี้รักแม่แค่วาเดียวพอเราโตขึ้น เรามาเรียนเราเข้าปฏิบัติธรรมเราถึงรู้ว่าพระคุณแม่ยิ่งใหญ่เท่าโลกทั้งโลกไม่ใช่แค่วาเดียวยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่กว่าพระคุณแม่อีกแล้วส่วนพระคุณพ่อเขาบอกว่าเหมือนอากาศที่ห่อหุ้มโลกนี้เอาไว้โลกอันใหญ่โตมโหลา น, นี้ถ้าปราศจากอากาศ คนสัตว์ต้นไม้และสิ่งมีชีวิตทั้งหมดก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้พ่อจึงเป็นผู้ให้ชีวิตไม่มีพ่อก็ไม่มีชีวิตเราเห็นพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพ่อและแม่หรือยังถ้าไม่มีท่านทั้งสองก็ไม่มีเราฟังมาถึงตรงนี้ก็ยังก้าืกึ่งตัดสินใจยากว่าใครมีพระคุณมากกว่ากัน วันนี้จิตใจ เ, าเราสงบหัวใจมีธรรมะมีคุณธรรมเอาหัวใจของเราเป็นตาช่างที่เที่ยงตรงลองช่างน้ำหนักดูว่ารากุณของพ่อกับแม่ใครหนักกว่ากันวิธีตัดสินง่ายๆอาจารย์ถามว่าเราอยู่ในท้องแม่คนละกี่เดือนเก้าเดือนแล้วเราอยู่ในท้องพ่อกี่เดือนไม่ได้อยู่สักเดือน ถ้าพ่อแน่จริงพ่อต้องแบ่งไปสี่เดือนครึ่งสี่ถึงจะถูกแล้วที่หนักหนาสาหัสของแม่ที่สุดคือตอนคลอดลูกตอนคลอดลูกเป็นช่วงเวลาที่เจ็บปวดที่สุดใครเป็นคนเจ็บปวดแม่หรือพ่อแม่เจ็บปวดที่สุดบางคนคลอดยากตายทั้งแม่ทั้งลูกบางคนแม่ตายแต่ลูกรอดเด็กบางคนคลอดยาก ทำคลอดเป็นชั่วโมงแล้วก็ยังไม่ออกรกพันคอหมอบอกว่าต้องผ่าตัดฉุกเฉินเพราะถ้าช้าอีก5นาทีเด็กจะตายเพราะขาดอากาศหายใจแต่เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลต่างจังหวัดเครื่องไม้เครื่องมือไม่ครบและเป็นการผ่าตัดฉุกเฉินไม่ได้เตรียมการไว้ก่อนถ้าตัดสินใจผ่าตัดทันทีลูกอาจรอดแต่แม่อาจเสียชีวิตได้ หมอถามพ่อว่าจะเอาอยัางไงพ่อบอกว่าต้องถามแม่แม่บอกว่าขอให้ลูกของแม่รอดชีวิตแม่เป็นยังไงก็ได้เห็นความรักของแม่ที่มีต่อลูกหรือยังตัวอาจารย์มีลูกคนเดียวเป็นลูกสาวบอกกับลูกสาวว่าจําเอาไว้นะแม่เขามีพระคุณยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตลูกตั้งแต่เกิดตอนลูกเกิด พ่อเอาแม่ไปส่งโรงพยาบาลตอนเช้าแล้วเย็นถึงกลับไปเยี่ยมหมอมาบอกว่าผ่าออกมาแล้วครับอาจารย์อ้าวทำไมต้องผ่าละ่ะเด็กหน้าหงหันไม่ยอมคลอดครับขืนรอช้าตายทั้งแม่ทั้งลูกผมให้คุณนายเซ็นชื่อแล้วผ่าเห็นหรือยังตอนที่ลูกเกิดคนที่เผชิญกับความตายนะ่เป็นคุณแม่ แล้วกว่าแผลจะหายกี่วันกี่เดือนคิดว่าแม่เจ็บแม่ทุกทรมานขนาดไหนข้างพ่อคือตัวอาจารย์นี่ขับรถวิ่งไปวิ่งมาเฉยๆไม่มีเงินก็กู้สวัสดิการมาให้ตกลงแม่เขาเป็นพระเอกส่วนพ่อเป็นเพียงผู้ช่วยพระเอกให้เอาใจแม่ให้มากที่สุดเขามีพระคุณที่ยิ่งใหญ่ต่อลูกอาจารย์สอนลูกอย่างนี้ พูดมาถึงตรงนี้พวกผู้ชายประท้วงบอกว่าอาจารย์ที่บอกว่าอยู่ในท้องแม่เก้าเดือนพ่อเก่งจริงต้องแบ่งมาสีเดือนครึ่งนะ่ะก็มันแบ่งไม่ได้นี่ถ้าแบ่งได้ผมแบ่งมาแล้วฟังดูก็มีเหตุผลอา้าวงั้นเอาใหม่มาดูกันว่าพอเราคลอดออกมาปุ๊บเราอยู่ในอ้อมกอดใครเราอยู่ในอ้อมกอดแม่หรืออ้อมกอดพ่อ ใครอุ้มเรามากกว่ากันแล้วเรากินนมใครดูดเลือดจากอกใครแม่ทางนั้นพ่ออย่างเก่งก็วิ่งไปซื้อนมกระป๋องมาให้ลูกเวลานอนนอนข้างใครข้างแม่ต้องกอดแขนแม่นอนจึงจะหลับทุกอย่างอยู่ที่แม่อาจารย์ในฐานะพ่อกลับมาจากทำงานเห็นแม่เขาอุ้มลูกอยู่ ไหนขออุ้มหน่อยสิอุ้มได้ห้านาทีเมื่อแขนส่งคืนแม่แล้วหัวใจของแม่อยู่ติดกับลูกตลอดเวลาจริงๆแม่ทุกคนจะเห็นและทราบดีที่ว่าคุณแม่นาะหนักเพียงพระสุธาพระคุณแม่หนักแน่นและยิ่งใหญ่เท่าแผ่นดินจริงหรือหลายคนอาจสงสัยใช่ไหม วันนี้อาจารย์จะพาลูกๆทุกคนไปพิสูจน์ความรักของแม่บุญคุณของแม่ว่ายิ่งใหญ่หนักแน่นอย่างที่ว่าจริงไหมวันนี้เราพาหัวใจแม่ออกมาดูขอให้ลูกๆทุกคนเตรียมดูหัวใจแม่พระท่านมักจะสอนพวกเราเสมอว่าแม่เปรียบเสมือนพระในบ้านเป็นพระในบ้านยังไงเรามาช่วยกันหาคาตอบ พระแปลว่าอะไรหมายถึงอะไรพระหมายถึงผู้ประเสริฐผู้ยอดเยี่ยมเป็นผู้มีคุณความดีอยู่ในตัวและประกอบคุณความดีต่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนจิตใจเปี่ยมล้นด้วยความรักความปรารถนาดีและความสงสารเป็นมูลฐานนี่คือพระเราลองเอาพระมาเทียบ ก, กับแม่เราดูสิ ว่าคุณสมบัติใกล้เคียงกันไหมแม่ทำความดีต่อลูกโดยหวังสิ่งตอบแทนไหมไม่หวังสิ่งตอบแทนแม่จิตใจเปี่ยมลน้นด้วยความรักที่มีต่อลูกไหมใช่รักลูกเปี่ยมล้นหัวใจแม่มีความปรารถนาดีต่อลูกไหมปรารถนาดีทุกลมหายใจแม่คือผู้มีคุณความดีที่ยิ่งใหญ่ต่อลูกไหม ใช่อีกเช่นเคยเห็นไหมว่าแม่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับพระพระจึงมักสอนเราว่าแม่คือพระในบ้านทีนี้เรามาดูให้ลึกลงไปอีกหน่อยที่ว่าเป็นพระนี่เป็นพระอะไรบ้างเขาบอกว่าแม่คือพระพรมของลูกแม่คือพระอาลหันของลูก แม่คือพระครูคนแรกของลูกเรามาดูซิว่าจริงหรือไม่จริงแม่คือพระพรหมของลูกพระพรหมตามความรู้สึกของเราคือพระเจ้าผู้สร้างโลกแม่คือพระพรหมของลูกหมายถึงแม่คือผู้สร้างลูกผู้ให้ชีวิตแก่ลูกนั่นเองมาดูซิว่าแม่สร้างเราอย่างไร ตอนเราเกิดหรือปฏิสนธิเกิดยังไงสเปิร์มของพ่อผสมกับไข่ของแม่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นในตัวเราถึงมีเลือดพ่อครึ่งหนึ่งเลือดแม่ครึ่งหนึ่งพอปฏิสนธิแล้วไปอยู่ที่ไหนอยู่ในท้องแม่อยู่ในมดลูกแม่มีสายสะดือต่อกับตัวแม่แล้วดูดเลือดในกายแม่เป็นอาหารดูดอยู่กี่เดือน เเดือนเราดูดเลือดจากกายแม่เพื่อให้เรามีชีวิตและเติบโต9เดือนถ้าแม่ไม่ให้เราดูดเป็นยังไงตายตายตั้งแต่ยังไม่ได้ลืมตาดูโลกเพราะฉะนั้นแม่คือผู้ให้ชีวิตแก่เราสิ่งสําคัญของพระภพรอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องมีพรหมวิหารธรรมเคยได้ยินคําว่าพรหมวิหารธรรมไหม พรหมวิหารธรรมเป็นหัวใจของพระพรหมหัวใจมีสีห้องคือเมตตากาลุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาคือความรักความปรารถนาดีกรุณาคือความสงสารเห็นอกเห็นใจมุทิตาคือความชื่นชมยินดีในความสําเร็จอุเบกขาคือ การวางเฉยเมื่อไม่อาจให้ความช่วยเหลือได้แม่คือพระพรหมของลูกเพราะฉะนั้นหัวใจของแม่ก็ต้องมีสีห้องนี้ด้วยเหมือนกันถ้าเราผ่าหัวใจของแม่ทุกคนดูเราจะพบพรหมวิหารธรรมทั้งสข้อนี้อยู่ในหัวใจแม่ลองมาดูพร้อมๆกันหัวใจห้องที่หนึ่งเมตตารัก และปรารถนาดีต่อลูกเสมอตอนที่เราปฏิสนธิในท้องแม่ใหม่ๆแม่เป็นยังไงเวียนหัวกลืนไส้อาเจียนเบื่ออาหารหน้ามืดเป็นลมไม่มีเรี่ยวแรงเพราะอะไรแพ้ท้องแพ้อยู่กี่เดือน 3-4 ถึงเดือนเห็นไหมว่าเราเริ่มทรมานแม่ตั้งแต่เราอยู่ในท้องพอหกเดือนลูกเริ่มดิน้น ท, ท้องแม่ตุงไปตรงมาแม่เจ็บแสนเจ็บแต่ก็เอามือลูบท้องฝืนยิ้มทางน้ำตาดีใจที่ลูกแม่แข็งแรงทำแม่เจ็บแม่ยังยิ้มเพราะแม่รักลูกเสมอแล้วตอนเราอยู่ในท้องแม่เก้าเดือนแม่หนักไหมอยากรู้ว่าหนักหรือไม่หนักลูกทุกคนกลับไปบ้านลองเอาก้อนหินหนักสามกิโล มาปลูกไว้ที่หน้าท้องแล้วเดินไปเดินมาดูซิว่ามันจะหนักและทุกข์ทรมานขนาดไหนไม่ต้องเอาออกดูซิว่าเราจะทนได้สักกี่วันอาจารย์ว่าอยู่ได้ไม่เกินสองวันแต่แม่ต้องแบกอยู่อย่างนี้ทรมานอย่างนี้ถึง9เดือนจะลุกจะนั่งจะนอนจะเดินก็แสนจะลำบากทั้งหนักทั้งเจ็บทั้งจุกเสียดแต่แม่ก็ทนลาบาก ด้วยความยินดีเพราะแม่รักลูกเคยเล่นกีฬาออกกําลังกายเคยทําสิ่งที่ชอบต้องหยุดหมดเพราะกลัวลูกจะกระทบกระเทือนเป็นอันตรายต้องงดอาหารที่แม่เคยชอบอดเปรี้ยวอดหวานอดมันอดเผ็ดเคยทานร้อนต้องงดร้อนเพราะกลัวลูกมีปัญหามีอันตรายต้องฝืนกินสิ่งที่แม่ไม่ชอบ แต่เป็นผลดีแก่ลูกวันคลอดคือวันที่แม่เจ็บปวดทุกทรมานที่สุดในชีวิตวันเกิดลูกคล้ายวันตายแม่แม่ยอมตายเพื่อให้ลูกรอดแม่เดิมพันด้วยชีวิตแต่ทันทีที่ลูกคลอดออกมาแล้วแม่รู้ว่าลูกปลอดภัยแม่ก็ยิ้มทางน้ำตากอดลูกไว้แนบอกด้วยความรักพอคลอดออกมาแล้ว แม่ยิ่งรักทนุถนอมยุงไม่ให้ตายไร่ไม่ให้ตอมจะดึกจะดื่นจะหนาวจะร้อนจะง่วงจะเพลียอย่างไรถ้าลูกไม่หลับแม่ก็หลับตาไม่ลงมืดค่ำดึกดด่นได้ยินเสียงลูกร้องแม่ต้องสะดุ้งตื่นรีบลุกขึ้นมาดูลูกมาหาสาเหตุว่าลูกร้องเพราะอะไรลูกนอนไม่หลับ แม่อุ้มพาดบ่าเดินกล่อมเป็นชั่วโมงเอาครามินมาทาเอายามากวาดเอานมใส่ปากกลัวลูกปวดท้องกลัวลูกเจ็บคอกลัวลูกจะหิวหัวใจห้องที่สองการุณาความสงสารเห็นอกเห็นใจยามหิวแม่เอาข้ามาป้อนยามร้องไห้ แม่ใช้อ้อมแขนและอ้อมอกปลอบประโลมคอยเอาตาดูหูใส่ไม่ว่าลูกจะกินยืนเดินนั่งนอนวิ่งเล่นไม่ว่าลูกจะขยับตัวไปทางไหนแม่ต้องชำเลืองตา ม, มองเสมอเวลาจะไปไหนแม่จะเอาลูกขึ้นขี่คอกลัวลูกจะเหนื่อยกลัวลูกจะลำบากกลัวลูกจะพลัดตกหกล้มกลัวจะเป็นอันตรายกลัวไปเสียทุกเรื่อง เวลาลูกประสบอุบัติเหตุลูกเจ็บลูกร้องไห้แม่อุ้มลูกแล้วร้องไห้ด้วยแม่อยากรับความเจ็บปวดของลูกมาไว้ที่แม่ทั้งหมดถ้าเป็นไปได้แม่อยากเจ็บแทนลูกแม่ยินดีตายแทนลูกได้แม่รักลูกเสมอความรักของแม่ที่มีต่อลูกไม่เคยจืดจางแม่รักลูกไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าลูกจะเป็นอย่างไร จะดีเร็วแค่ไหนลูกคือดวงใจของแม่เสมอ